พระพุทธเจ้าเป็นโอปนัฐยิโกน้อมเข้ามาสู่กายสู่ใจของเราถ้าส่งออกไปในใจธรรมะเป็นทางที่ผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นโดยตาที่ได้ยิน้ดยหูก็น้อมเข้ามาที่เจรนาทางใจเพื่อแก้ไข ใ, ใจของเราปล่อยวางและเห็นตามเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้นจะโฉบออกไปทางนอกมีแต่ทางหลงมีแต่ทางจิตทั้งห้องแน้อมเข้ามาภายในพิ่เจรณ า, จาใจใจของตนเกยดตัวสิ่งเหล่านั้นความหลงภาวนา บ, บันที่จะเบาบางไปเป็นเหลืองชำระแก้ไขตัวเอง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 อะไรกันถีอเป็นรูปธาตุสี่ใสไหมดินน้ําไฟลมเขามีอย่างไรเรามีอย่างนั้นแล้ะสิ่งเหล่านี้เขายินดียินร้ายกับใครเราไม่เห็นมันก็มีอยู่แต่เราไปเห็นเขาทําไมไปติดเขาไปสอบเขาไปเถิดเพลินตามเขาเป็นเรื่องปัญญาสี่จะแยแยที่จะไรนาสอนใจท่องตนอย่างก็เหมือนกัน เราไปเกิดมันก็มีอยู่อย่างนี้เราเกิดมามันก็มีอยู่อย่างนี้เราตายไปมันก็จะต้องมีอยู่อย่างรูปเสียงจึงไม่ขาดจากโลกคนที่ไมีสัญญาก็เลยหลุ่มหลงว่ารูปอย่างนั้นเสียงอย่างนี้ติดห้องและม่เชียงคอสักวันสักคืนได้มาเท่าไรยิ่งยากได้มากเข้าไปเหมือนไฟที่มีเชือ้อมีเท่าไรยิ่งไหมลุกเร็วใหญ่ขึ้นไป น่ามาเป็นโอปนายิโกพิจารณาเทียบเขาเทียบเราพิจารณาแยบทายลงไปใจจะปล่อยวางในสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีอะไรที่จะเป็นข้าศึกศัตรูต่อใจนี่แต่สิ่งที่เป็นผลเป็นประโยชน์เป็นอัตเป็นธรรมเป็นจุส่งเสริม <c oughs> จิตใจให้รู้ยิ่งเห็นจริง <c oughs> เรื่อยไปนี่ผู้พิจารณาทําเป็นอย่างนั้น <c oughs> ไม่มีอะไรขัดข้อง เห็นได้ยินเป็นอัดเกณฑ์ทำทั่วไปมีหมายถึงผู้ที่ฉลาดตู้จับทำเหมือนหมอเขาไปเห็นไม่อะไรควรจะเป็นยาแก้ไขโรคอนไรใดเขาก็รู้จักเพราะเขาเาเป็นหมอถ้าไม่เป็นหมอถึงจะไปเหยียบไปทักมืที่ ส่วนยาที่วิเศษขนาดไหนโกไมย์จะว่ามันแก้ไขอะไรได้มีพวกเราที่เมื่อยบอดที่ไม่มีสติปัญญาในธรรมะ <c oughs> เห็นอะไรก็ไมยน้อมนํามาพิจะะารณาเพื่อแก้ไขกิเลสตัญหาของตัวจิตของเศร้ามองเลื่อยไปใน่มีวันเบาวันสบายวันเบือ่อวันหน่ายเรื่ อ, องความของโกรธของสงสารดังยินดีเื่อเพิยอยู่เลื่อยไปเพราะสิ่งที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้นก็เศร้ามอง เดือดร้อนเผาตัวเองก็วตัวก่อไฟจะไม่เห็มันร้อนมันก็ไม่ด่า่อไฟเผาตัวเองทางธรรมะเป็นทางแก่ไขดับไฟที่เกิดขึ้นจากใจของตัวดับได้เทา่าไรก็ยิ่งเย็นสบายไปเท่านั้นฉะนั้นจึงจะไดนโอกาสเวลามันเหมาะแล้ว อันอื่นมันสงบหมดแล้วเหนือใจใจทมันรุงมันผุงมันคิดมันขวางเลยโลกอันนี้โลกก็ามาจิตเราเราไปติตโลกจิตแกะตัวของเราอแกะตัวของเราได้อันอื่นมันก็หมดปัญหาไมีอะไรที่จะมาทับผมการแกใจใจึจงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่าน ควรที่จะได้น่ะจะแก่ปล่อยวางได้ก็เพอเห็นเหตุผลยงพอแต่มันละเองวางเองพอมันอิม่มมันพอที่จะได้น่ะขวดถึงมันเป็นจริงอย่างนั้นจะฝ่าพื้นไปอย่างไรมันไม่ฝ่าพื้นถ้ามันเห็นตามเป็นจริงต้องยอมจำนวนนี่มันไม่เห็นตามเป็นจริง นี่นยาฤทประหลาเกิดขึ้นในจิตในใจจะเทียบกับจิตใจของพระพุทธเจ้าหรือพระอารหันต์อรหันต์กับจิตใจของผู้ทุกชนธรรมดาอย่างพวกเราก <c oughs> ็เหมือนกันก็นว่าฉันเห็นพวกเรานี้เป็นพวกผิดฤทิ ป, ปริตพวกเหติในสมบูรณ์ งั้นพวเราเห็นคนขี้แค่ใจแค่หอบไปเหี่ยวเอาของทีไรคนหอบคนเหี่ยวไปแดกไปหามเอาสิ่งทีแต่ควรแดกคนหามว่าเป็นของดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้มีกิจผู้ที่ชนคนหนาทำไมดาก็มายกิจทนอง น, นั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าขันละขันถอนเราถือว่าเป็นของดีวิเศษถือว่าเป็นต้มบัตรลำขาดแต่พระผู้เจ้าขันละขันถอน ท่านไม่ถือไม่ยึดท่านปล่อยท่านวางท่านชิงเราถือเอาของที่ท่านชิงว่าเป็นของดีวิเศษยิตปกติธรรมดาผุ้ทุจนคนหนาเป็นอย่างนั้นนี่ว่าใจทั้งหมดยึดอยู่ในสิ่งที่ท่านม่ให้ยึดถือในสิ่งที่ท่านไมาให้ถือจินนาเห็นเห็นตามเป็นจริงมันปล่อยไปวางไปใจิตใจที่เป็นผู้ทุจร น, นั้นนี่แหละ ท่านฝึกให้เป็นอริยเจ้าอย่างใจท่านเป็นอริยเจ้ามาแต่วันเกิดท่านพิจารณาอย่างไรท่านจึงแจกไขเรื่องของใจให้หลุดไปได้เราต้องพิจารณาตามร่องรอยของท่นานแต่เห็นว่าเราดีลิเศษกว่าเพราะพุทธเจ้ามันก็ไมมีทางศึกษาไม่มีทางละทางถอนอะไรที่เราถือว่าเป็นขอ้อดีเราทิ่งใน่ได้เราปล่อยในได้ ใครแต่เนี้ยสอนเท่าไรก็ยังเยอะยังถืออยู่นั้นเพราะเราถือว่าเราดีกว่าเขาเขาสู่เราไมดไดงความคิดความถือของเรามันมีอุปท า, านหรือคิดผิดจ <c oughs> นเมือ่อใดเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นจริงอย่างนั้นไม่ดีมีคุณค่าอะไรทำตัวของตัวให้เศร้ามองทำตัวของตัวให้เดือดร้อนเป็นคนขี่ โง่ oh. เบาเบาปัญญาที่ไปยึดไปถือคนรู้ทั่วไปท่านจะต้องละต้องวางต้องปล่อยทิ้งเห็นเป็นจริงในจิตในใจของตัวมันก็ปล่อยไปไม่ยึดในจริงเหมืนนั้นในทางที่จิตต้องเห็นอย่างนั้นมันจริงปล่อยได้แต่ยังสําคัญว่าเป็น้องดีอยู่ปล่อยไม่ได้จิตจิตปล่อยวาง ที่รู้เห็นในทางธรรมะจตบบิตจับสัญญาการจํำมาคือสัญญายังจํำมาแต่ปัญญาเห็นแจ้งบบจากการประเทปฏิบัติของตัวจากการละการถอนของตั ว, ตบบตวมันปล่อยได้เพรเห็นว่าเป็นไทยเหมือมนกันกับคนที่จับ อาศ ะ, ะพิธเข้าใจว่าเป็นของดีวิเศษเป็นของ อ, อร่อยเป็นอาหารยอดไม่เข้าใจว่าอาศ ะ, ะพิธไม่เข้าใจว่าเมื่อมันตัดต่อยตัวแล้วตัวจะได้รับความทุกข์ถึงตายาาเพราะทราบเพราะว่าอันนี้ในใจอาหารในใจของจิตจะควรจับ เห็นแบบเป็นของอสราทิศริงจังแล้วปลอยทิ้งไม่อะไรยอาวอนเพราะถ้าเก็บไว้นี่แต่ต้องตัวอสราทิศเข้าอีกมันจะกัดเราจะทำเราให้ตายคนจิตรักษาอาวัยวะคนจิตรักษาชีวิตเป็นอย่างนั้นยิดใจของฉันที่มีอาจมีทมเห็นจีเลียตันหาเห็นความยึดถือของใจซึ่ง เป็นฝ่ายขั้วต่างๆฉันเห็นเป็นอาสาชิต โ, โ, โ, โลภโกรดหล ง, เ ป, ง เ, เป็นท้องแขดเข่าใจเป็นพิษเป็นภัยในก่อภพก่อชาติฉันเห็นไปจากชาดเจนฑ่ฉนจึงละเรื่องเหล่านั้นตก อ, ออกไปจากใจของฉันด้วยปัญญาความเห็นแจ้งโอเคันละจากการจําละจากการ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 สิ่งอื่นเกาะดังบนมีการพี่เจรณาอัดทำหรือพิจารณาเพียงพอก็ทำนองตัดตัดสดตไม้ไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่มันจะต้องต่อยวางของมันเองคือมันพอในตัวของมันมักเป็นสิ่งที่พวกเราทุกท่านจะควรทำให้มากเพราะทำได้ส่วนผล จะเกิดขึ้นเมื่อไรนั้นเป็นเรื่องของผลเหมือนกันจะตัดเป็นไม้ตัดเลื่อยไปมันจะล้มเมื่อไรเป็นเรื่องของมันแต่เมื่อตัดเมื่อฟันไหมหยุดในถอยล้มลงด้หกักลงด้หังลงด้มีการที่เจน้นะอัดทําซึ่งเกี่ยวกับมากก็เหมือนกันที่แจ้นะเข้าไปยายยาอย่าหยุดยาถอยกาหนดเข้าไปยาปล่อยให้ออกกรทชังนอกจิตใจถือเคยดื้อดึง เคยเกี่ยวพ้อในสิ่งต่างๆหรือสิ่งหรือจิตใจเค่ฟุ้งรวมมันก็จะสงบรวมรวมท่านังรวมถ้าท่านวิปัสสนามันก็จะถอดถอนปล่อยวางแต่พิจารณาไม่หยุดไม่ถอยนั่นคือผลเกิดขึ้นจากการจัดทําผลมันเป็นเองเราจะเห็นมันเป็นอย่างไรแต่ก่อนกับเรื่องนี้ แล้ก็พี่สูดได้เพราะแต่ก่อนมันเคยจิดเคยข่องเคยปุ่นเคยปุงเค ย, เคยแฉะเคยเผาเราอย่างไรเหมือนมันสอยมันวางมันลงมันรวมเราก็รู้ธรรมะเป็นสันที่ทุขโภเป็นปัจจตังทุกคนที่ประฏิบัติจะต้องเห็นเองต้องรู้สภาพจิตใจของตัว การน่ประปฏิบัติเป็นของสำคัญยังหมาถึงสั่งเมื่อไรแล้วอยาไปนอนใจสั่งของโลกสั่งของกิเลสสั่งของนิพพานมันจิตกันสั่งนั้นกับสั่งนี้พยายามทม ต้ชกกำลังที่นี้คิดจะได้น า, าถามถึงฝั่งจะรู้จักหมดปัญหาที่เคยสงสัยในจิตในใจการปฏิบัติธรรมฉันเชื้อว่ามนุษย์เป็นปู้ที่มีโอกาสดีเป็นชาติผิดสมควรแก่การตั้รู ชาตที่ต้องควรในการสั่งความดีเราคได้จเก่าสมัยเป็นโพธิสัตว์ปฏิบัติอาชธรรมเมื่อลมหายตายไปเดียวจเกิดสวรรค์เดีจะเกิดในชั้นต่างๆอายุยืนยงคงอยู่เป็นเวลานานเสียวเวลาสั่งบารมีขออธิษฐานมาเกิดเป็นมนุษย์อีกกิจะได้สั่งบารมีเพิ่มฟูนนี่เราโชคดีที่เป็นมนุษย์สงควรอย่างยิ่งที่จะตัง่งหน้าตั่งตาสั่งบารมี ใครต็มผีเต็มฐานแล้วพระพุทเจ้าที่ต่างๆอายุเย็นยงคงอยู่เป็นเวลานานเสียเวลาสั่งบารมีขออธิษฐานมนเกิดเป็นมนุษย์อีกเกิดจะได้สั่งบารมีเพิ่มปูนนี่เราโชคดีผี่เป็นมนุษย์ สมควรอย่างยิ่งที่จะตัง้งนาจัางตาสร้างบาราีให้เต็มที่เป็นฐานแร้วก็คือเก้าถันมาสร้างคือชาติมนุษย์ตอนที่จะศัตรูก็มาตัดที่ชาติมนุษย์อีกเหมือนกันฉะนั้นพวกเราทุกคนจึงไม่ควร นตนว่าเป็นคนที่มีวาฒนธตําเป็นคนที่มีวาฒนาสูงแล้วเด้งขาดเทียนพยายามประพฤติปฏิบัติให้เห็นให้เป็นให้รู้รำที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนรสชาติของอัดรำเป็นอย่างไรจากประทับใจของตัวเองโดยการเห็นการสัมผัสจากการประพฤติปฏิบัติ เวลาร่างกายของเราเขาก็ใไม่โอกาสที่ไม่มีการป่วยไข้ยังพอจะทำผลงานความดีได้ตามความตาหมาท้องตัวอยู่ถ้าเกิดป่วยไข้เจ็บหนักก็ไม่มีโอกาสจะมาปฏิบัติอาชีพ แล้วก่อยู่กับที่ว่ยังทุกอย่างลำบากแกทุกข์คาเอちなอยู่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างพอจะบึกจะเบืนอนพอจะจะทําบําเพ็ญพอจะแย่สอนตัวให้เร่งทำคุณงานความดีเรามาจากกรุงเทพมานี้ก็ไม่ใกลไกลเป็นระยะทางไกลนะ ถ่าร่าเรือหรืออะไรต่างๆ่งต้องเสียสละเพื่อจะมาฝึกอบรมใจของตัวเพื่อจะหาความสุขเกิดขึ้นจากธรรมชาติคืออัตธรรมก็อยู่ในสถานที่รุงเทศตามสงบสงัดพอแม่อยใจนกงเมืองใหญ่ใช่ไหม พระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่หรือสอนสาวกก็ให้ออกแวงหาเนาสนาชนะป่าหาที่วิเวกตัวของพระองค์เองก็เป็นอย่างนั้นถึงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วการสั่งวัดท่านโกจังหาสถานที่ห่างไกลาจากชุมนุมชนเพราะจะได้อยู่สะดวกสบาย เรามาไกลขนาดนี้สถานที่ก็มีเหตุพอสมควรกลางวันอยากจะเดินจงกมรมกล่องเงาก็มีกลางคืนอยากจะเดินจงกรมไปที่เราจะตามดูถนนห้องทางเดินจงกรมก็ยังมีอีกนอกนั้นแส้งจันก็ยังส่งให้สว่างสวยในเรื่องธรรมอยา่างขาดทุนถึงอะไรยโอกาสเวลานานๆเป็นข้อยีที ม, มีโอกาสดีมาปฏิบัติบางทีก็เกิดขัดข้องก็รร่างกายอำนวยให้หรือบางทีการงานก็ยุ่งไม่มีโอกาสที่จะมาเวลามาถึงเวลามาได้ก็รีบกอบควยตัดตวงเอาเส็มที่เต็มฐานได้รับความสุขความสงบความสบายของใจธรรมะเรียน อยาจะให้ทุกคนมีความสุขเพราะความสุขเกิดจากธรรมะเป็นความสุขขีดวิเศษประเสริฐแต่ความสุข <c oughs> เหมือนทางโลกเป็นความสุขขีแน่นอนเป็นความสุขขี่ตายตัวเป็นความสุขขีดเสือดื้อดเป็นความสุขขี่น่ากลัดทั่วไปกันเละเสริมเรามีโอกาสเวลานะ <c oughs> ฝึกอบรมก่อนฝึกอบรมตนตามตามสามะควรจะได้จะเจอจะเห็นจะรู้อะไรกให้รู้ให้เห็นมันจะไม่ขาดทุนฝืนกำไรในการไปการอยู่ของเราในอย่างนั้นมันจะเสียวันเสียเวลาเปล่ามันคืนหลวงไปหลวงไปจิตใจก็ยังไม่เห็นมีเด่นอะไรผนที่ฝุดที่ร่วมไปก็จะเสียใจหาคุณทำดีอะไรที เรามีชีวิต อ, อยู่เราไม่เด็กรีบเร่งแต่ทาบําเพ็ญจะทำนิตัวเองเพราะตัวเองฝึกไมโอรมในรีบเร่งหาได้หาเหาเ็นหาเต็มหะรู้ในตัวจริงจังแล้วจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ก็าตามไม่มีห่วงมีห่วงในการลมหายตายไป ความต้องควรแก่การแกร่สมัยยังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ท่านมาเลยคำนึงคำนวณท่านมเลยห่วงเพราะเหตุดใดเพราะจิตใจของท่านสมบูรณ์ทุกอย่างแล้ว <S <S นี่เข่าแก่ขนาดไหนอาอยุตัง้งแปดสิบสี่สิบีร้อยปีก็ยังห่วงยังห่วงยังร้องไห้ยังเสียใจยังอะไรในชีวิตเพราะความดีอะไรยังไม่มี ยังอยากจะมีคีิตก็สร้างคืนความดีต่อไปอยู่ยคือความยังไม่สมบูรณ์ในตัวเป็นอย่างนั้นถ้าสมบูรณ์แล้วมจนเป็นปัญหาจะไปเวลาใดยินดีเต็มใจอยู่เสมอท่านสะดวกสบายอย่างนี้ปฏิบัติ ด, ดีถึงอัดถึงทำฉะนั้นเราทุกท่านเมื่อใดระดับรับฟังธรรมะธําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเกศอธิบายวันนี้ <c oughs> ยงนำไปที่นิพิเตรณนาฝึกกายวายใจใจของตนต่อจากนั้นก็จะมีความสุขความเจริญสมความมุ่งมัศาสนาการอธิบายธรรมะเรเห็นว่าพาอสงควรเจริญละเอวัง